ถามเคยเข้าใจมาตลอดว่าทำกรรมอย่างไรก็ต้องย้อนกลับมาเกิดกับตัวเองแบบนั้นเป๊ะ เ, เช่นถ้าไปตีหัวเขาก็ต้องถูกตีหัวคืนหรือถ้าขโมยเงินล้านก็ต้องถูกขโมยหนึ่งล้านกลับเพิ่งทราบว่าตามหลักกรรมวิบากที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่เช่นนั้นคือทำดีได้ดีหมายถึงได้ดีในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำก็ได้อยากทราบว่า ผมเข้าใจเช่นนี้ถูกหรือไม่ตอบของอธิบายอย่างนี้นะครับเมื่อคุณตีหัวใครสําเร็จก็กล่าวได้ว่ามีการเกาะอากุศลกรรมคือการตีหัวด้วยเจตนาให้เขาเจ็บหรือให้หัวเขาแตกส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนเจ็บหัวหรือมีคนหัวแตกคุณตีวูซ์จนไม่มีใครหัวแตกจริงก็เรียกว่าอากุศลกรรมครั้งนั้นล้มเหลวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะแปลเป็นพลังอีกรูปหนึ่งพ้นวิสัยตรวจจับด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันทันสมัยที่สุดในปัจจุบันคุณสะสมพลังกรรมได้ไม่จํากัดเพราะสื่อที่ใช้เก็บบันทึกไม่ใช่สมุดบัญชีไม่ใช่ฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนพลังกรรมจะแฝงตัวอยู่ในความจริงอันไร้ขอบเขตกว้างยาวสูงหมายความว่าในความจริงของเมื่อวานคุณตีหัวคนไว้คนหนึ่ง เหตุการณ์ที่คุณตีหัวคนก็จะถูกบันทึกไว้ในความจริงตรงนั้นเองและไม่อาจกลับเปลี่ยนด้วยวิธีใดๆความจริงดังกล่าวจะเข้าคิวร่วมกับความจริงอื่นๆรอว่าเมื่อใดจริงสมควรกระโดดออกจากคิวไปให้ผลคิวกรรมมีการจัดเรียงที่สลับซับซ้อนและอาจจะไม่ตรงไปตรงมาเป็นเส้นตรงเหมือนคิวเข้าแถวรอชาระหนี้ที่เคาน์เตอร์ สมมติว่าช่วงต้นชีวิตของคุณตีหัวคนด้วยความสนุกเป็นว่าเล่นแคนใครเมื่อไรเล่นงานด้วยวิธีนี้เมื่อนั้นหากตายไปขณะยังติดใจที่จะตีหัวคนคุณก็อาจไปเกิดในอบายภูมิที่มีการทำร้ายบริเวณศีรษะไม่เลิกราและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อาจโดนใครจงใจปฏทุสร้ายที่ศีรษะหรือไม่ก็เกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะได้รับบาดแผล ได้รับความเจ็บปวดทรมานอยู่เรื่อยๆจนตัวคุณในชาติต่อไปรำพึงรำพันว่าสงสัยต้องเคยไปตีหัวคนไว้บ่อยแน่ๆแต่หากคุณยังไม่ตายพบธรรมมะและเกิดการเปลี่ยนใจครั้งใหญ่ต่อไปจะไม่ตีหัวคนอีกไม่ว่าจะโกรธแค้นอาฆาตสักเพียงใดแถมเจอใครจะถูกตีหัวหรือทำร้ายร่างกายก็อุทิศ ต, ตัวเข้าไปปกป้องเสร็จด้วยอย่างเนี้ย คิวกรรมจะถูกจัดเรียงใหม่ทันทีคือถ้าตายไปด้วยความผูกพันกับความคิดไม่เบียดเบียนและความคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นภัยเช่นนี้สุขติคือโลกสวรรค์หรือโลกมนุษย์ย่อมเป็นที่หวังได้เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คุณอาจโดนทำร้ายทางศรีรษะบ้างแต่อาจไม่โดนเต็มๆและไม่โดนบ่อยมากหรือบางทีถ้าจะโดนแรงขนาดต้องหามขึ้นเมน วิบากด้านดีที่เคยช่วยคนก็จะส่งใครสักคนหรือเหตุการณ์สักอย่างมาช่วยไว้ทันการผูกเวรแบบตาต่อตาฟันต่อฟันภายในชาติที่มีเรื่องกันนั้นก็จัดเป็นการใช้หนี้เก่าและต่อนีใหม่กฎของการเอาคืนระหว่างมนุษย์ด้วยกันขึ้นอยู่กับความเจ็บใจเป็นหลักแม้คุณจะตีหัวเขาโป๊กเดียวไม่ถึงเลือดอาบแต่ถ้าเขาเจ็บใจเข้าไปถึงกระดูกดำเวลาเขาหาทางเอาคืน ก็อาจตีหัวคุณเลือดไหลเป็นน้ำตกหรือหนักกว่านั้นอาจถึงขั้นหัวแบกกระโหลกเปิดและวิธีการของมนุษย์ที่จะแก้แค้นคืนนั้นก็เป็นไปได้หลากหลายไม่จำกัดว่าเขาจะอยากตีหัวคุณกลับอย่างเดียวแต่อาจพาพักพวกมารุมกระทึบหรือมัดไว้และเอาแส้โบยความเจ็บตัวของคุณไม่ว่าวิธีใดๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนของการชดใช้กรรมที่ทาไว้กับเขาทั้งสิ้น หากให้อภัยได้ก็จะไม่เหลือเศษให้ต้องไปชดใช้ต่อในอบายภูมิอีกแต่หากเครียดแค้นอาคาตอยากขอเอาคืนอันนั้นก็ต้องผลัดกันทำร้ายต่อไปอีกเขาพลาดบ้างคุณพลาดบ้างขึ้นอยู่กับเป็นรอบของใครขึ้นขี่กันนนี้จะ อ, อแ ทาดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องรัก